อ, อ่าใหม่าสามโมงครึ่งอืมควรที่อยู่ถึงตอนนี้ได้ก็ถือว่าใช้ได้นะอืมอืยู่กับตัวเองสองชั่วโมงเนะที่เราได้อยู่กับตัวเองไ ง, ง, นะ เ, เ, งเห็นอะไรบ้างนะหรือว่า มีอะไรอยากจะพูดอยากจะถามก็เชิญนีนี่เห็นอะไรบ้างรู้สึกยังไงบ้างหรือสงสัยอะไรบ้างมีไหมไม่ต้องกลัวนะไม่อย่าไปคิดว่าคำถามของเรามัน มันไม่ดีมันไม่ฉลาดมันนั่นดี่นะเขาอย่าไปนะอย่าไปหรือว่าหัวมันจะผิดอะไรก็อย่าไปกังวล น, นะเวลาเราเรียนธรรมะนะเอาความซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์ที่มันเป็นจริงของเราอะอ่ไม่เอาไม่เอาภาพลักษณ์ที่มันดูดีหรืออะไรนะ เอาของจริงเกิดอะไรจริงๆในตัวเราตรงนั้นแหละนะดีก็แล้วแต่แต่ละคนเนาะก็ไม่ผิดไม่ทมก็ไม่ผิดต่ถด อ, อถ้าเราเอาไว้ดูสภาวะนะเวลามันสงสัยอะไรอย่างเี้ยเราก็ดูมันไปจนบางทีก็แรกๆก็ไม่เข้าใจหลวงพ่อต้องบอกว่าปฏิบัติธรรมมีแต่ Okay. ไม่มีคำถามมีแต่คำตอบนะเราเนะี่ยมีแต่คำถามไม่มีคำตอบนะหรือคิดตอบก็ไม่ค่อยเขียนแบบเวลาคิดเอานะบุญคืออะไรบาปเพื่ออะไรเรารู้สึกตัวถูกหรือ ย, ยังเลยไหมนะเรารู้สึกตัวเป็นหรือ ย, ยังอืสภาวะนี้มันคืออะไรเนะมันความสงสัยความลังใดหรือความอยากจะรู้เนาะบางทีก็อยากจะรู้ อืมถ้าคนที่ปฏิบัติดีเขาจะเป็นแบบไหนอะไรไมั น, นก็แบบก็มีความคิดเอาเนาะคิดคาดเดาเอาก็มีแต่คําพ่อบอกปฏิบัติทำอะไรไม่มีคําถามมีแต่คําตอบอืม <c oughs> แต่ถ้ามาพบนะมันไม่ใช่แบบว่าไม่มีคําถามเสียทีเดียวหรอกแต่ตอนไหนที่เรารู้สึกตัวตอนนั้นคําถามมันก็หมดไปอืม <c oughs> คือพอมันรู้สึกตัวเป็นคาถามก็ลดลงไปเยอะเลยนะแต่ก็อาจจะมียังเหลืออยู่บ้างแต่แต่ตอนไหนที่เรารู้สึกตัวนะมันก็ไม่มีมันก็มันมันก็เคลียใจมันเคลียตอนนั้นนะความรู้สึกตัวมันเหมือนช่วยเคลียความสงสัยออกไปจากใจบางทีไม่ใช่ไปว่ามีคำตอบนะแต่พอ เพราะมันไม่มีคําถามอะมันเลยไม่ต้องการคําตอบอะยังคือมันมันเคลียความมันเคลียความสงสัยออกไปได้คําตอบไม่มีก็ไม่เป็นไรแบบเนี้คือแต่คนเราบางทีมันเหมือนคล้ายๆความสงสัยของเราเนอะเหมือนเราหิวงั้นเราก็ต้องกินเพื่อให้มันหายหิวแบบนี้เนาะเราคิดว่าแบบมีคําถามก็ต้องคิดหาคําตอบมีคําถามคิดหาคําตอบ แต่ความรู้สึกตัวแต่ธรรมะมันกลับกันนะมันเหมือนแต่แต่ในร่างกายมันก็ต้องหิวต้องแก้ไขแบบนั้นนหะแต่ในทางทางปฏิบัติจริงๆมันเหมือนพอมันถ้าความคุ้นชินของเราสงสัยปุ๊บก็จะหาคําตอบให้กับความสงสัยนั้นแต่พอเราใช้ความรู้สึกตัวรู้ทันว่ามันกําลังสงสัยอยู่นะจิตมันกำลังสงสัยจิตมันดังเลยจิตมันไม่แน่ใจเลยนะ เราดูตรงที่ตรงนั้นนะไอตัวนั้นมันหายมันก็เลยไม่ต้องการคําตอบไงมันก็เลยมันก็ง่ายนะอืมแต่กว่าจะกว่าจะแบบกว่าจะแบบประมาณว่าจะทําให้มันถูกแบบนี้ทําให้มันได้แบบนี้มันก็ผิดเยอะ <c oughs> ผิดในการคิดผิดในการนั่นนี่นะยิ่งเราแบบเป็นคนชอบคิดชอบวิเคราะห์ชอบ หากคำตอบหรือบางทีอ่านมากฟังมากบางทีก็สงสัยมากนะบางทีก็เป็นแบบนั้นแต่พอค่อยๆเห็นว่าเออที่จริงมันก็แค่เป็นการหลอกให้เราคิดนะอย่างหนึ่งบางทีแรกแรกก็แบบได้ยินบางครูบาอาจารย์บางคนนะพูดแบบอะไรบางทีก็แบบดิบดิบเนาะ <c oughs> บอกว่าบางทีรู้สึก แบบทีปฏิบัติธรรมอ่ะให้รู้แบบโง่โง่รู้แบบโง่โง่คือแบบคือไม่ต้องเอาไม่ต้องใช้สมองรู้แบบโง่คือไม่ต้องแบบมาใช้ความคิดในการรู้เนืม응รู้แบบโง่โง่เนี่ยมันก็แต่ถ้งยิ่งเรารู้ร่างกายเนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรเลยนะไม่ต้องคิดอะไรเลยมันมันเป็นความรู้สึกของกายนะ ความรู้สึกของกายหรือมันอาจจะเกิดความรู้สึกของใจมันก็เป็นการสัมผัสรับรู้เอาไม่ใช่การคิดเอาเนาะมันคือการรู้มันรู้สึกอย่างนี้เนาะมันน่ะคล้ายๆเหมือนเรารับรู้ความร้อนความหนาวเรารับรู้โดยการที่มันรู้สึกเนาะมันเป็นความรู้สึกจิตใจเองก็ก็รับรู้แบบเหมือนเป็นความรู้สึกนะรู้สึกว่าอืม อันที่สมมุติเราจะเรียกว่าหนักๆนักแน่นๆน่นเบาเบาอ่าค้งเงอะไรก็แล้วแต่มันคือเป็นความรู้สึกที่เราเราแค่รับรู้เนาะไม่ใช่การไม่ใช่การประมวลเป็นความคิดไหมนี่คือนี่คือความความรู้สึกตัวที่เราฝึกกันนะก็ค่อยๆสังเกตไปยงคือ โง่ๆ ม, ม, มันคือบบมันแบบเหมือนมว่าคือบางทีเราไม่ต้องไปพยายามคิดวิเคราะห์อะไรกับมันมากบางทีบางคนมักใช้ใช้การคิดวิเคราะห์เนาะอืมนในการที่รู้สึกตัวเนาะแต่ถ้าต้องทํางานก็ต้องคิดวิเคราะห์นะ <c ười> คือถ้าเราต้องทํางานเราก็ต้องถ้างานไหนที่มันต้องคิดวิเคราะห์มันก็ต้องทําแต่เราทําแบบรู้สึกตัวว่าเรากําลังคิด เพื่อจะวิเคราะห์นั่นนี่เพื่อจะใดะนะั้นทำความเข้าใจมันมันก็จำเป็นต้องทำก็ต้องก็ต้องทำแต่ถ้าบางบางทีปฏิบัติมันก็อาจจะมีสภาวะที่ที่มันอาจจะดูดูไม่คุ้นเคยเนาะ <c oughs> <c oughs> ถ้าแต่โยมไม่ไม่กงังวลก็ดีละยอมรับมันแล้วก็ เออ่ะก็ฝึกต่อไปแต่ก็น่าจะฝึกค่อยๆให้มันกระชับกระเชงให้มันตื่นมากขึ้นขยับตัวไปบ่อยไอเดียปวดอื่นบ่อยๆหรือบางทีก็อออกกําลังกายในในท่าที่ทําให้เรารู้สึกตัวโยคะไทเก๊ตอะไรแบบนะี้แบบให้มันพอร่างกายที่จริงร่างกายของเราถ้ามัน มันมีความตื่นตัวเยอะขึ้นมันก็ส่งผลให้จิตใจมีการตื่นตัวมากขึ้นเหมือนกันนะคือที่จริงการปฏิบัติจริงๆก็คือการที่เรามาเรียนรู้ทุกเนาะคือคนทางโลกทั่วไปอะหนีทุก <c oughs> ใช่ไคือ <c oughs> คือหนีทุกเพื่อไปอ ไ, ไปหาความสุขเนาะหาความสุข จากการกินหาอยู่ไหมหาความสุขจากการช้อปปิง้งหาความสุขจากการพูดคุยสนุกสนานอะไรนะไปหาอะไรทําที่คิดว่ามันมีความสุขแบบนี้เนาะเราคนส่วนใหญ่เวลาเวลามีความเครียดหรือมีความทุกข์อะบางทีเราก็จิตมันจะเป็นอตโนโมัติเลยทีนี้พยายามจะดิ้นที่จะหาความสุขนะเพราะว่า คือลักๆจริงๆคือมันดิ้นที่จะหนีทุกข์ใช่ไหมดิ้นที่จะหนีทุกข์นะเออมันก็เลยไปทดแทนด้การคิดว่าทำอะไรที่มันจะมีความสุขหรือมันจะทุกข์น้อยเราก็ออกไปหาที่จะทำแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็ความสุขก็เราหนีได้แป๊บเดียวเนาะ อ, อ่เราไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยเนะเรากินได้ เกินครึ่งชั่วโมงป่ะมันก็หมดเนอะมากินจ น, นอิ่มหมดมก็ต้องไปหายอย่างอื่นมามาเพิ่มนะไปซื้อเสื้อผ้าไปดูหนังอะ่ะก็ได้สองสามชั่วโมงจบแล้วอะไรก็ไปหาอะไรอีกนั้นการไปการหนีทุกโดยการไปหาความสุขนะบางทีมันก็แค่แค่เหมือนเรียกว่าแก้ แก้แบบฉาบชฉวยเนาะแต่ที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเน้นที่เรามาเรียนรู้ทุกนะยิ่งแบบเนี้ยอย่างเราเจอความง่วงเจอความเบื่อเจอความอึดอัดนังเดสงสเจออะไรต่างๆเจอความปวดความเมื่อยแล้วเราถ้าเรายัางใช้สติที่จะอยู่กับเขาได้เนะี่ยอันนี้คือเราไม่ได้หนีละ เออมันเกิดแบบนี้ขึ้นมานะถ้าคนที่แบบใจใจไม่รักพอเนาะก็ไปละใช่ไมืมมันง่วงอยจ่ทนทำไมมันเบื่อจะทนทำไมใช่ไหมเนาะมันก็ใจถ้าใจไม่รักพอก็ไปอะไปทำอะไรที่มันสนุกมากกว่านี้แต่เพราะการที่เราสามารถที่จะอยู่กับมันได้เนะคือเราเริ่มที่จะเรียกว่าเราเริ่มที่จะเรียกว่า ความทุกข์เริ่มมีอิทธิพลต่อใจเราน้อยลงนะแม้แม้มันปวดเมื่อยแม้มันง่วงนอนแม้มันฟุ้งซ่านแม้มันเบื่อแต่เรายังมีสติอยู่ได้นะอันนี้คือเนี่ยคือการปฏิบัติคือแบบเนี้ยคือทําให้เราเห็นว่าความทุกข์มันคืออันนี้แต่เราอยู่เหนือทุกข์แบบนี้เนาะถ้าเปรียบเหมือนทัสมมดเหมือนสมมดแบบสัตว์มีพิษนะอาจจนงูก็ดีนะ ที่ที่ปลอดภัยจริงๆเนะี่ยเราจะวิ่งหนีงูไปที่ไหนปลอดภัยที่สุดไปนะปากงูอือใช่ปากงูเอองนะ่ะปลอดภัยที่สุดนะ <c oughs> งูมันกัดไม่ได้เนะ <c oughs> อืมตรงนั้นแหละใช่หรือยืนบนหัวมันก็ได้นะ <c oughs> ใ, นในสมมติถ้าเป็นสัตว์เล็กๆเนอะมันหนีไปหนีไปที่ไหนก็หนียากนะอืม แต่ถ้าเมื่อใดที่เราสามารถอยู่เหนือก็ได้อะคืออยู่ ใ, ใกล้ๆเขาเลยนะที่จริงที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่ไกล้เขาแต่มันอยู่เหนือเขาอะเออเวลาเราเร า, เราเห็นทุกข์อะมันแบบนั้นนะทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่ไปว่าอ่าไม่ใช่ไปว่าการหนีทุกข์ออกไปนะแต่คือเราเห็นว่าตอนเนี้ยมันทุกข์แต่เราอยู่เห็นมันอยู่เหนือทุกข์อะคือสภาวะจิตที่มีสติคือ ไม่ใช่แปลว่าต้องดิ้นโดนให้ทุกข์มันหายให้หมดไปแต่เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ ก, ก็เนี่ยแหละคือการภาวนานะเห็นทุกข์ก็คือแบบนี้นแต่ถ้าถ้าเราไปเจือด้วยความอยากอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหมือนเราก็เริ่มเข้าไปผสมรงกับความทุกข์ละผสมรงกับความทุกข์แต่เพื่ออะไรที่เราแค่ดูไม่ได้ดิ้นโดนมันก็ พิกขึ้นมาเหมือนพิกขึ้นมาดู <c oughs> บางทีมันาก็แบบชอบพูดเล่นๆ น, นะเหมือนที่เราแบบเล่นปรบมือกันนะ <c oughs> เขาเราถูกทับเราก็ดึงขึ้มาเราถูกทับก็ดึงขึ้นมาเหมือนมันก็เหนือไปเรื่อยนะเ น, นี่ยมันก็คือเหมือนคาลังสติที่เราที่เราฝึกนะมันก็มันคือการอยู่เหนือทุกนะการอยู่เห็นการเห็นทุกโดยไม่ต้องดิ้นนนที่จะหนีความทุกนะนะคือก็ทํา แค่ทำแค่นี้เองไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นแต่บางทีตอนที่มัน่างทีที่มันแต่มันก็ยากตรงพอแล้มันเข้าไปจมกับความทุกขนะ์นมก็อาจจะเรียกว่าอะไรอาจจะค่อยๆถ้าเราเริ่มสังเกตว่ามันจะค่อยๆดิงนะ่งอ่ะบางทีเราก็ใส่กรรมฐานช่วยขยับตัวอะไรนะ หายใจยิ้มอะไรแบนะัะมันจะได้ไม่ไม่ดิ่งลงไปลึกแล้วก็มันก็จะถอดออกมาได้ง่ายมันก็ต้องช่วยแบบนั้นให้สังเกตตัวเองว่ามันกำลังจะกำลังจะอิงก็ไปแล้วกำลังจะจมก็ไปแล้วก็ขยับออกมาแต่ถ้ารู้สึกว่ากำลังสติมันมันพอดูได้นะถ้าคิดว่ากาลังสติมันดูได้ ไม่ต้องทําอะไรเลยมันอยากจะดิ่งก็ปล่อยเลยมันจะไม่ดิ่งจริงๆนะมันเหมือนคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนถ้าเราเคยเคยลอยตัวในน้ําได้อ่ะเหมือนนอนเฉยๆแล้วมันมันก็ลอยของมันเองอ่ะไม่ต้องแบบว่ายนะมันก็ลอยได้นะคือไม่ได้ไปการดิ้นดนที่จะต้องทําอะไรแต่เพงแค่สบายๆอยู่กับมันนะมันก็ลอยของมันได้นะอืม นี่แค่เปรียบเทียบเฉ ย, เ, ยเนาะมันแต่สภ า, าวะจริงๆมันมันก็พูดยากโดยคําพูดเนาะเปรียบเทียบให้ให้เห็นเป็นภาพใกล้เคียงเฉ ย, เ, ยเนาะแต่ถ้าเราปฏิบัติเราก็พอเข้าใจปะ <c oughs> าาถ้าเวลาปฏิบัติจริงๆเนาะถ้าคนตั้งใจปฏิบัติจริงๆก็น่าจะพอพอเห็นภาพแล้วก็ ถ้ามันมาในทำนองแบบนี้แหละมันก็คือถือว่าเราเรามาถูกทางแล้วเนาะนะคำสอนพระพุทธเจ้าที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอริยสัจสี่การเห็นทุกข์นะอย่างแจ่มแจ้งนะการละเหตุของความทุกข์คือละสมุทยคือความอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะะ่ะ พูง่ายเนาะอยากมีสองแบบ น, ะ, นะคือการละความอยากก็คือละจิตที่มันจะเรียกว่าจิตที่ดิ้นรนนี่แหละจิตที่มันดิ้นรนจิตที่มันไม่ยอมรับนี่แหละคือดิ้นรนก็คือว่าไม่พอใจในในแค่นี้อยากเป็นอย่างนี้ไม่ยอมรับคืออยากให้สิ่งนี้มันหายไปจิตที่มันดิ้นรนนี่คือเหตุของความความทุกข์เนาะ การที่เรารู้ทันนะก็คือมรรคแล้วน ะ, นะมันก็เกิดนิโรดคือผลคือความไม่ทุกข์แล้วอริยสัจสี่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเกิดห่างๆกันนะที่จริงเวลาเกิดมันเกิดพร้อมกันดูทุกข์ก็ละส ม, มุทัยก็นิโรธก็แจ้งนะมรรคก็เจริญพร้อมกันเยไม่ได้แบบไม่ใช่แปลว่ามันไม่ใช่แปลว่า อันนี้เกิดก่อนอีกอีกวินาทีหนึ่งเกิดอันนี้เะยนะเป็นลำดับอะไรไม่ไม่ใช่แบบนั้นแต่จริงมันมันพร้อมกันนะแต่ก็แยกให้มันเห็นเป็นลักษณะเฉยๆเนาะแต่มันก็อาจจะยังไม่ใช่แบบการดับทุกข์โดยเด็ดขาดทีเดียวนะแต่มันก็คือการดับทุกข์ที่ปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียนเพื่อจะ เออให้มันหนับทุกติดขาดทีเดียวเลยรอวันนั้นวันเดียวไม่ใช่เราใช่ไหมคิดไปจําวันของเราเนี่ยแหละะมีทุกข์เมื่อไหร่ก็ดับเมื่อนั้นนะไม่ใช่แบบมีทุกขวันนี้เดี๋ยวรอไปเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เดี๋ยวจะไปแก้ทุกนเนาะละกิเลสนะก็ต้องละทันทีนะอืดับทุกก็ต้องดับทันทีนะรอไม่ได้หรอก พราะถ้ารอก็คื อ, คอเราก็ปล่อยให้มันให้มันให้มันทุกข์เนาะเราก็ปล่อยมันทุกข์นอนนอนเนืองในใจของเราอินซีอินรีส์สัมนัสสิ น, นะทานสำรวมอินรีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราซึ่งมันจะเป็นตัวช่วยให้เราเกิดสติเกิดสมาธิได้ดีขึ้นเอ๊เรื่องขวงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่บางทีถ้าคเราวาดอะ ก็าอาจจะมองข้ามเพราะว่าเช่นเรารักษาศีลห้ามันก็ไม่ได้ห้ามดูหนังฟังเพลงแบบนี้เนาะมันก็อาจจะได้มันไม่ถือว่าเราผิดศีลห้าแต่มันแต่ศีลที่มันเป็นเรื่องการสํารวมตามหูจมกูกลิ้นกายใจอะเราไม่ได้รักษามันก็เลยอาจจะทําให้สติมันหายไปสมาธิไม่ตั้งมัน่นเพราะว่าการที่เราไปเสพตรงนั้นแต่ถ้าเราอยากจะเจริญในธรรมมากขึ้นก็ต้อง ก็ค่อยก็ต้องรักษาสินตรงนี้เพิ่มขึ้นคือเป็นสินภาคปฏิบัติที่เราต้องรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันไปเสพก็คือไปเสพสิ่งที่ชอบอ่นนะกันเซ็คือตาก็ชอบดูของที่สวยงามอ่าหูก็ชอบฟังเพลงที่ไพเราะคพูดที่อ่าสนุกสนานตรยเนี้ยอืมปากก็ชอบกินของอร่อยอะนะก็คือการไปยังเติบติดอยู่ แม้บางทีไม่ได้ผิดศีลเรามีเงินเราไมไ่รักของใครอะไรแบบนะี้มันก็แต่การยังหลงไหลอยู่กับมันก็ทําให้เราเราก็ละจักรามยากต้องค่อยๆต้องบางอย่างก็ต้องเด็ดขาดบ้างแต่บางอย่างเด็ดขาดเลยแบบบางทีเหมือนคล้ายๆมัน ค, นคนเป็นเบาหวานเนาะงดเลยบางทีก็น้ําตาลต่ําเกินไปก็ วูฟได้นะเออก็แต่ละคนก็อาจจะต้องต้องดูอันนี้ถ้าพระบางทีท่านก็จะใช้ใช้คำว่าทุดดงเนาะทุดดงคือเหมือนประเมินว่าเราติดอะไรหนักบางทีท่านก็ให้ได้เราให้พระได้ลองถือทุดดงเพื่อจะได้จะได้ว่าได้ขูดกิเดกให้มันหนักขึ้นฮนะอย่างเช่น การฉันมือเดียวไม่ใช่แบบว่าฉันมือเดียวคือถือเข่งคัดนะแต่ฉันมือเดียวเพื่อจะได้เห็นว่าเรายังติดในการฉันมากน้อยขนาดไหนบางทีโอ้เราฉันมือเช้าแล้วแต่มือเพลนุโยมมาถวายขนมถวายอาหารอยู่นมันก็อยากนะบางทีไม่เป็นไรยังไม่เกินเที่ยงแต่นั้นก็ แต่ถ้าเราจั้งใจว่าถือมือเดียวมันก็ต้องถือนะแต่บางทีไอ้ไม่เป็นไรเนี่ยมันคือเหตุผลคือข้ออ้างให้เราไปทํามันมันอาจจะไม่ผิดศีลแต่มันผิดความตั้งใจมยนะอื่นคือมันก็มันก็ทําให้เราได้เหตุอะไรพวกนี้ว่าโอ้เออเหตุผลนี่มันแบบปรุงได้นะเหตุผลไม่ใช่ไปว่าอืมดีไหม ดีเสมอไปเนาะแต่ทางโลกแล้วว่าคนนี้มีเหตุผลมันดีแต่ในทางธรรมนี่เหตุผลในตัวร้ายเลยตัว้ายที่มันจะมาดอกอเนี่ยคาตะวันปฏิบัติยากตรงนี้ยากตรงที่มันการเสพหลายๆอย่างมันไม่รู้สึกผิดแต่แต่มาว่าเชื่อว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่ละได้ทีเดียวหรอกแต่มันถ้าเราฝึกไปเรื่อยเนาะ ฝึกไปเรื่อยเราเราดูพัฒนาการของเราอย่างเช่นอ่ามเดือนปีหนึ่งอ่ะเราฝึกมาสมมติบางคนฝึกมาหลายปีแล้วนะดูว่าไอ้เนี้ยเรื่องพวกเนี้ยเราลดลงได้พอสควรไหมอ่ะถ้าเราเริ่มลดได้พอสมควรแสดงว่าเรามีความสุขข้างในมากขึ้นนะเราได้ไปหาความสุขข้างนอกน้อยลงนะีนะนะ่คือแต่ถ้าเรายังแบบไม่สามารถมีความสุขจากข้างใน ไ ด, ได้เองมันก็ยังต้องไปหาความสุขจากข้างนอกยิ่งถ้าคนไม่สามารถหาความสุขจากข้างนอกได้ยิ่งยิ่งทุกข์เนาะนะทุกข์ทั้งข้างในทุกข์ทั้งข้างนอกที่ไม่หาได้นะ่ะก็แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นจนะทั่งเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนไม่ต้องหาความสุขการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การไปแบ่งหาความสุขแม้จากข้างในนะคือบางคนยัง บางทียังปฏิบัติธรรมเพื่อหวังให้มันมีความสุขข้างในบางคนก็กลายเป็นติดสมาธิเพราะว่าทําสมาธิแล้ว ม, มันมีความสงบมันมีความสุขอนะไรนะ่ะหรือเวลาปฏิบัติธรรมแล้วมันได้สภาวะได้อารมณ์ก็อยากจะประคองจะกจะรักษามันมันก็คื อ, อยังยังรู้สึกยังยังพอใจในความสุขอยู่แต่ถ้าจริงๆแล้วปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่กันแสวงหาความสุข แต่เป็นการแค่ดูทุกข์แต่มันเพราะมันไม่ทุกข์นั่นแหละมันสุขแบบมันสุขแบบไม่ต้องปรุงอะไรอ่ะมันก็มันก็ไดยหยุดเหนือแบบนี้เนาะก็ฝากไว้เนาะ